ได้ปฏิภาคณิมิตอันโยคีบุคคล น, นั้นพึงพยายามนึกถึงอุคหานิมิตนั้นให้บ่อยๆทำกรรมฐานให้เป็นอันความนึกตะล่อมมาไว้ในจิตแล้วอันความนึกชอบตะล่อมมาไว้ในจิตแล้วเมื่อโยคีบุคคลทำกรรมฐานให้เป็นอันความนึกตะล่อมมาไว้ในจิตแล้วอันความนึกชอบตะล่อมมาไว้ในจิตแล้วอย่างนี้ดิวอนทั้งหลาย มีกามชันทะเป็นต้นก็จะสงบลงและกิเลสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับนิวรนนั้นก็จะระงับหายไปโดยลำดับแห่งภาวนาจิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการชนนี้ความแปลกกันแห่งนิมิตทั้งสอง ในนิมิตทั้งสองนั้นความแปลกกันแห่งอุคหานิมิตอันก่อนกับปฏิภาคนิมิตนี้ดังนี้คือในขั้นอุคหานิมิตยังมีโทษแห่งกระสินปรากฏให้เห็นอยู่ได้ส่วนปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าอุคหานิมิตนั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่าเป็นดวจชำระแรกอุคหานิมิตออกมา คลายกับดวงแว่นที่ถอดออกจากถุงคลายถาดสังที่ขัดดีแล้วคลายดวงจันทร์ที่ออกจากกรีบเมฆและคลายหมูนกยางอยู่บนหน้าเมฆ ก, ก็แลปฏิภาคณิมิตนั้นไม่มีสีไม่มีสันฐานเพราะไม่ใช่สภาวะประมัติจริงอยู่ถ้าปฏิภาคณิมิตนั้น จะพึงเป็นสิ่งที่มีสีและสันธานเช่นนี้แล้วก็จะพึงเป็นรูปหยาบที่รู้ได้ด้วยตาเนื้อเข้าถึงสัมมะสัญาณได้ยกขึ้นสู่ไตรลักษ์ได้แต่นี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่มันเป็นสักว่าอาการที่ปรากฏแก่ผู้ได้สมาธิซึ่งเกิดจากสัญญาภาวนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ได้อุปจาระสมาธิก็แลนับจำเดิมแต่เวลาปฏิภาคานิมิตเกิดขึ้นแล้วนิวร์ทั้งหลายมีการมาชันทาเป็นต้นย่อมสงบไปเองนั่นเทียวกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับนิวร น, นั้นก็ระ ง, งับไปเองด้วยจิตก็เป็นอันตั้งมั่นแล้วด้วยอุปจาระสมาธินั่นแหล สมาธิสองอย่างและสมาธินั้นมีสองอย่างคืออุปจาระสมาธิหนึ่งอปปนาสมาธิหนึ่งจิตในอุปจาระภูมิหรือในปฏิลาภาภูมิคือภูมิที่ได้อัปปนาฌานยอมตั้งมั่นด้วยเหตุสองประการคือในสองภูมินั้นจิตในอุปจาระภูมิยอมตั้งมั่น เพราะการประหารเสรียได้ซึ่งนิวรจิตในปฏิลาภาภูมิย่อมตั้งมั่นเพราะความบังเกิดขึ้นแห่งองค์ชาญเหตุที่ต่างกันแห่งสมาธิสองอย่างก็แลสมาธิสองอย่างมีเหตุต่างกันดังนี้องค์ชาญทั้งหลายในอุปจารสมาธิยังไม่มีกำลัง เพราะองค์ฌานทั้งหลายยังไม่เกิดกำลังคือยังไม่บรรลุซึ่งกำลังแห่งภาวนาเปรียบเหมือนเด็กเล็กๆที่พยุงให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ลม้มลงไปที่พื้นบ่อยๆชั้นใดเมื่ออุปจาระสมาธิเกิดขึ้นนั้นบางทีจิตก็ทำนิมิตให้เป็นอารมณ์บางทีก็ตกลงสู่ภวังชั้นนั้นขณะที่จิตทำนิมิตให้เป็นอารมณ์อยู่ คือแนบเฉืออยู่กับอารมณ์อันเดียวไม่ตกพวังนั้นชื่อว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตปล่อยอารมณ์นั้นตกกระแสผวังชื่อว่าจิตเสียสมาธิอุปจาราสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ยังไม่มั่นคงเดี๋ยวขึ้นสู่วิถีเดี๋ยวตกภวังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ซึ่งมีอาการเหมือนเด็กเล็กๆล้มล้มลุกๆฉะนั้น ส่วนในอัปปนาสมาธิองค์ฌานทั้งหลายมีกำลังเพราะองค์ฌานเหล่านั้นเกิดมีกำลังแล้วเปรียบเหมือนบูรุษผู้มีกำลังลุกจากที่นั่งแล้วพึงยืนอยู่ได้แม้ตลอดทั้งวันฉันใดแม้เมื่ออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นแล้วชานจิตตัดวาระแห่งพวางครั้งเดียวแล้วก็ดำรงอยู่ตลอดคืนตลอดวันแม้ทั้งสิน้น ย่อมเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจลำดับแห่งกุศลราชวนาจิตยอย่างเดียวเท่านั้นรักษาปฏิภาคานิมิตเหมือนพระคันจกักพัทในนิมิตสองอย่างนั้นปฏิภาคานิมิตซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอุปจารสมาธินั้นใดการที่กระทำให้ปฏิภาคนั้นเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าโยคีบุคคลสามารถที่จะเจริญปฏิภาคณิมิตนั้นไปจนบรรลุถึงอัปปนาสมาธิจะได้ด้วยบรลังนี้ทีเดียวข้อนั้นนับเป็นโชคดีแต่ถ้าไม่สามารถจะปฏิบัติได้เช่นนั้นแต่นั้นโยคีบุคคลนั้นอย่าได้ประมาทพึงรักษาปฏิภาคณิมิตนั้นไว้เหมือนกับพระขันธ์ที่ทรงไว้ซึ่งทารก ผู้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิฉะนั้นเพราะเมื่อรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ได้เช่นนี้อุปจาระชาญที่ได้แล้วก็จะไม่มีการเสื่อมหายไปแต่เมื่อไม่มีการรักษาแม้อุปจาระชาญที่ได้แล้วนั้นก็จะเสื่อมหายไปเสียวิธีรักษาปฏิภาคณิมิต ต้องเวนอสับ ป, ปายาเจ็ดและเศษสับ ป, ปายาเจ็ดในปฏิภาคณิมิตรนั้นมีวิธีรักษาดังต่อไปนี้อาวาโศโคเจโรพัสสังปุคโลโพชนางอุตตุอิริยาปถวติสเตเตอสับปายเยวิวัชเยสับปายเยสัตตะเสเวทะเอวันหิปฏิปัชโตนิจิเรเนวะ กาเลนะโหติกัสจิอัปปนาโยคีบุคคลใดได้ปฏิภาคนิมิตเหล่านั้นพึงเว้นซึ่งธรรมะอันไม่เป็นที่สบายเจ็ดอย่างเหล่านี้คืออาวาโสได้แก่ที่อยู่อันไม่เป็นที่สบายโคจโรได้แก่หมู่บ้านบินทบาทไม่เป็นที่สบายพัด ส, สังได้แก่คำพูดอันไม่เป็นที่สบาย บุคลโลได้แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่สบายโภชนนังได้แก่อาหารอันไม่เป็นที่สบายอุตตุได้แก่อากาศอันไม่เป็นที่สบายและอิริยาปตโธได้แก่อิริยาบถอันไม่เป็นที่สบายและพึงซ่องเสพธรรมอันเป็นที่สบายเจ็ดอย่างตรงข้ามเพราะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ ไม่ช้าไม่นานเท่าไหรนักเลยโยคีบุคคลบางท่านก็ได้สําเร็จอั ป, ปนาชาญต่อไปอธิบายอสัพ ป, ปายะเจ็ดและสัปปายะเจ็ดหนึ่งอาวาสคือที่อยู่ในที่อยู่สองอย่างนั้นเมื่อโยคีบุคคลอยู่ในที่อยู่อันใดนิมิต ท, ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปและสติที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิที่อยู่เช่นนี้ชื่อว่าที่อยู่ไม่เป็นที่สบายคือไม่สับปายะเมื่อโยคีบุคคลอยู่หน้าที่ใดนิมิตย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมถาวรมั่นคงอยู่ด้วยสติย่อมตั้งมั่นในนิมิตนั้น จิตก็เป็นสมาธิเหมือนพระประธานิตติสะเทระผู้อยู่นวัดนาคบรนพศเป็นตัวอย่างที่อยู่เช่นนี้ชื่อว่าที่อยู่เป็นที่สบายคือที่อยู่สัปปายะเพราะฉะนั้นในวัดใดมีที่อยู่หลายแห่งด้วยกันในวัดนั้นโยคีบุคคลพึงอยู่ทดลองดูแห่งละสามวัน หน้าแห่งใดทำให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ก็พึงอยู่ณที่แห่งนั้นเถิดจริงอยู่เพราะเหตุที่ได้ที่อยู่เป็นที่สบายภิกษุห้าร้อยรูปซึ่งอยู่ณถรร้มจุลนาคในประเทศลังกาเรียนเอากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ณถ้นั้นแหลและหน้าที่อื่นๆพระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ได้บรรลุถึงขั้นอริยภูมิแล้วได้บรรลุพระอรหันต์ณที่นั้นๆขณานับไม่ถ้วนแม้ที่วัดอื่นๆเช่นวัดจิตตะบรรพธเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้สองโคจารคามหมู่บ้านบินทบาทก็แหละโคจารคาม คือหมู่บ้านสำหรับไปบินทบาทแห่งใดมีอยู่ด้านทิศเหนือหรือด้านทิศใต้หนึ่งมีอยู่ในที่ไม่ห่างไกลมากนักคือภายในระยะทางหนึ่งโกะครึ่งประมาณพันชั่วคันธนูหรือสองกิโลเมตรหนึ่งมีภิกษาหารบริบูรณ์หาได้สะดวกหนึ่งหมู่บ้านเช่นนั้นชื่อว่าหมู่บ้านบินทบาทเป็นที่สบายอย่างตรงกันข้าม ชื่อว่าหมู่บ้านบินทบาทไม่เป็นที่สบายคือไม่สับปายะสามัสสะคำพูดถ้อยคําที่นับเนื่องในติรชานกถาสามสิบสองประการมีการพูดถึงเรื่องพระราชาเป็นต้นชื่อว่าเป็นถ้อยคําไม่เป็นที่สบายเพราะถ้อยคําเช่นนั้น ย่อมเป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแห่งนิมิตของโยคีบุคคลนั้นถ้อยคำที่อาศัยกถาวัตถุสิบประการมีพูดถึงเรื่องความมากน้อยเป็นต้นชื่อว่าเป็นถ้อยคำเป็นที่สบายแม้ถึงถ้อยคำเป็นที่สบายเช่นนั้นก็พึงพูดแต่พอประมาณสปุคโลบุคคล คนผู้ไม่ชอบพูดเรื่องติราชานกถาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติมีศีลเป็นต้นที่โยกขี่บุคคลอาศัยแล้วจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นย่อมตั้งมัน่นหรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมมั่นคงยิ่งขึ้นบุคคลเห็นปานนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นที่สบายส่วนบุคคลที่ชอบประครบระงมบำรุงตกแต่งร่างกาย ชอบพูดแต่เรื่องติรชานกถาชื่อว่าบุคคลไม่เป็นที่สบายเพราะบุคคลเช่นนั้นย่อมทำปฏิภาคณิมิตนั้นให้เศร้าหมองได้ทีเดียวเปรียบเหมือนน้ำขี้ตมทำน้ำที่ใสให้ขุนได้ฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงปฏิภาคคณิมิตหรอกแม้แต่สมาบัติของพระหนุ่มผู้อยู่นักเขาโกตบันพ์รูปหนึ่งก็ยังเสื่อมหายเพราะเหตุอาศัยบุคคลไม่เป็นที่สบายเช่นนั้น ข้อห้าและหกโภชนะคืออาหารและอุตุคืออากาศก็แลอาหารที่มีรสหวานย่อมเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคนที่มีรสเปรี้ยวย่อมเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคนแม้อากาศเย็นก็เป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคนอากาศร้อนเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคน เพราะฉะนั้นเมื่อโยคีบุคคลสองเสพอาหารหรืออากาศชนิดใดจึงมีความผาสุกสบายหรือจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นยอมตั้งมั่นหรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วยอมมั่นคงยิ่งขึ้นอาหารชนิดนั้นและอากาศชนิดนั้นชื่อว่าเป็นที่สบายอาหารและอากาศชนิดอื่นนอกจากนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่สบาย อิริยาปโถโธอิริยาบทแม้ในอิริยาบทสี่บางคนมีอิริยาบทเดินเป็นที่สบายบางคนก็มีอิริยาบทนอนอิริยาบทยืนหรืออิริยาบทนั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่สบายเพราะฉะนั้นโยคีบุคคลพึงทดลองอิริยาบทนั้นดูอย่างละสามวันเหมือนกับทดลองที่อยู่ ในอิริยาบถใดจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นยอมตั้งมัน่นหรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วยอมมั่นคงยิ่งขึ้นพึงทราบว่าอิริยาบถนั้นชื่อว่าเป็นอิริยาบถเป็นที่สบายอิริยาบถอื่นๆนอกนี้ไม่ใช่เป็นอิริยาบถ ท, ที่สบายด้วยประการชะนี้โยคีบุคคล พึงเว้นธรรมะอันไม่เป็นที่สบายคือไม่สัปปายะเจ็ดอย่างนี้พึงเสบธรรมะอันเป็นที่สบายคือสัปปายะเจ็ดอย่างนี้นั้นเถิดเพราะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้และเสบปฏิภาคณนิมิตมากๆขึ้นไม่ช้าไม่นานเท่าไรเลยโยคีบุคคลบางคนก็จะได้สำเร็จอั ป, ปนาชาแนนอน ถ้ายัางไม่สำเร็จอัปปนาชาญต้องบาเพ็ญอปปนาโกศลสิบประการก็ลายโยคีบุคคลใดแม้จะได้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จอัปปนาชาญโยคีบุคคลนั้นพึงบาเพ็ญอปปนาโกศลคือวิธีที่จะให้มีความฉลาดในอปปนาให้เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ต่อไป ในอปปนาโกสลนนั้นมีนัยยะดังนี้อัญโยคีบุคคลจำต้องปรารถนาวิธีที่จะให้มีความฉลาดในอปปนาสมาธิโดยประการสิบอย่างคือหนึ่งวัตถุวิสทะกิริยโตโดยทำวัตถุให้สะอาด 2. อินทริยะสมัตตะปฏิปทานโตโดยทำอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. นิมิตตะกุสลาโตโดยฉลาดในนิมิตสจิตตะปัคหาโตโดยยกจิตในสมัยที่ควรยกหจิตตะนิคหาโตโดยข่มจิตในสมัยที่ควรขม่ม 6. จิตตะสัมปหังสะโตโดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง เจิตตะอาจุเปกขโตโดยเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย8อสมาหิตะบุคลปริวัชนาโตโดยเว้นบุคคลผู้ไม่มีสมาธิเกสมาหิตะบุคละเสวนาโตโดยสมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิและสิบ ตถะที่มุตตะโตโดยน้อมจิตไปในสมาธินั้นอธิบายอปปนาโกศนสิบประการหนึ่งโดยทำวัตถุให้สะอาดในอปปนาโกศนสิบประการนั้นการทาวัตถุทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกให้มีความสะอาดชื่อว่าทำวัตถุให้สะอาด อธิบายว่าการใดโยคีบุคคลมีผมเล็บและขนทั้งหลายขึ้นมาหรือมีร่างกายถูกเหงือใครจับเปลื้อนเปละการนั้นชื่อว่ามีวัตถุภายในไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์และการใดโยคีบุคคลมีจีวรเกา่าสกปรกและเหม็นสาบหรือมีเสนาสนะโรครุงรังการนั้นชื่อว่า มีวัตถุภายนอกไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เมื่อจิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นภายในและภายนอกที่ไม่สะอาดเช่นนั้นแม้ชานก็พลอยไม่สะอาดไปด้วยฉันเดียวกับแสงแห่งตะเกียงอันเกิดเพราะอาศัยตะเกียงใส้และน้ำมันที่ไม่สะอาดเมื่อโยคีบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยญาณอันไม่สะอาด แม้สังขารย่อมไม่ปรากฏแจ้งชัดถึงจะเพียรทำกรรมฐานไปแม้กรรมฐานก็จะไม่บรรลุถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพยบูรณ์อยู่นั่นเองแต่เมื่อจิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นภายในและภายนอกที่สะอาดแม้ยานก็พลอยสะอาดบริสุทธิ์ไปด้วย ฉันเดียวกับแสงแห่งตะเกียงที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตะเกียงไส้และน้ำมันที่สะอาดและเมื่อโยคีบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยยานอันสะอาดแม้สังขารทั้งหลายก็ย่อมปรากฏแจ้งชัดเมื่อเพียรทำกรรมฐานไปแม้กรรมฐานก็จะบรรลุถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพ่บุ์โดยแท้ 2. โดยทําอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกันการทําอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นให้มีความสม่าเสมอกันโดยหน้าที่ชื่อว่าทําอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกันอธิบายว่าถ้าแหล่อินทรีย์คือศรัทธาของโยคีบุคคล น, นั้นมีกำลังมากอินทรีย์สี่นอกนี้มีกำลังน้อยเล้วไซ เพราะเหตุนั้นอ in ินทรีย์คือวิริยะย่อมไม่สามารถเพื่อทําหน้าที่คือการประคองอินทรีย์คือสติย่อมไม่สามารถเพื่อทําหน้าที่คือการปรากฏอินทรีย์คือสมาธิย่อมไม่สามารถเพื่อทําหน้าที่คือความไม่ฟุ้งซ่านอินทรีย์คือปัญญาย่อมไม่สามารถทําหน้าที่คือการเห็นแจ้งเพราะฉะนั้น ต้องลดสัตวทินสีนั้นลงด้วยการพิจารณาถึงสภาวะธรรมคือภาวะที่เป็นจริงของสัตวทินสีนั้นหรือด้วยไม่มนาสิการถึงโดยวิธีที่มนาสิการถึงแล้วสัตวทินสีเกิดมีกําลังมากขึ้นและในอธิการนี้มีเรื่องพระวกกลิเทระเป็นตัวอย่างเรื่องพระวกกลิเทระ ก็แลท่านวัคคลิเทระนั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการอันได้สั่งสมไว้ในศรัทธาที่มุดคือความเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าจึงเป็นผู้ขวนขวายในอันจะได้เห็นพระรูปพระโฉมของพระสัสดาอยู่อย่างไม่รู้สังแม้พระบรมศัสดาจะได้ส่งโอวาทแล้วส่งประกอบไว้ในกา ร, รมัฐานโดยในยะมีอาธิว่าวัคคลิเธอจะต้องการอะไร ด้วยอันเห็นกายอันเปื่อยเน่านี้เล่าวัคคลิผู้ดายลายเห็นธรรมผู้นั้นจึงชื่อว่าเห็นเราตรัส ด, ดังนี้ฉะนั้นแล้วก็ตามเธอก็ไม่ได้สนใจประกอบพระกรรมถานนั้นกลับเสียใจได้ขึ้นไปอย่างที่ปากเหวเพื่อทำตนให้ตกลงไปท่านใดนั้นพระบรมศาสดาซึ่งเสด็จประทับนั่งอยู่อย่างปกตินั่นเทียว ได้ส่งเปล่งพระราศมีไปทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏตรัสพระพุทธนิพนธขถ า, าว่าภิกษุผู้มากไปด้วยความปราโมทเริ่มใสในพระพุทธศาสนามีหวังได้บรรลุสันติบทคือความสุขอันเป็นที่ระงับดับเสียซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายฉนี้แล้วได้ส่งเรียกพระวักกลิเทระว่ามานินะ่วกกลิ ท่านวกกะลิเทระนั้นอันพระบรมศา ส, สดาได้ทรงประพรมด้วยน้ำพระพุทธมนต์อมฤตรถนั้นแล้วกลับมีความร่าเริงยินดีจึงได้เริ่มลงมือเจริญวิปัสสนาแต่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่วิปัสสนาวิถีได้เพราะเหตุที่ศรัทธามีกำลังมากเกินไปพระผู้มีพระภาคทรงทราบเช่นนั้นจึงทรงแก้ไขให้ท่านถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์สมาเสมอกัน ทรงสอบชำระพระกรรมฐานประธานให้แล้วท่านวัคคะลิเทระปฏิบัติวิปัสนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยในยะที่พระพุทธองค์ทรงประธานให้นั้นก็ได้บรรลุซึ่งพระอรหัดโดยลําดับแห่งอริยะมากขึ้นไปชั้นนี้แลและทาวีริยินทรีย์มีกําลังมากแต่นั้ น, ส, นสัททินทร์ก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ คือการตัดสินอารมณ์ได้อินทรีย์อื่นนอกนี้ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ที่ต่างกันนอกนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องลดวิริยินทรีย์นั้นลงด้วยการเจริญสัมพุท์ชงสามประการคือปัสธิสมาธิและอุเบกขาแม้ในอธิการนี้ก็ควรแสดงเรื่องพระโสนเทระผู้ละเอียดอ่อนเป็นตัวอย่างดังนี้ เรื่องพระโสณเถระก็แหลท่านโสณเถระนั้นเรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาลวไปอยู่นาป่าสีเสียดท่านคิดว่าร่างกายเราละเอียดอ่อนมากและเราไม่สามารถจะบรรลุ ถ, ถึงสุขได้โดยง่ายเลยเราจึงควรบำเพ็ญสมณธรรมแม้อย่างที่ทรมานกายให้ลำบากฉนี้แล้วได้อธิษฐาน เอาอิริยาบดยืนและเดินเพียงสองอย่างเท่านั้นพยายามประกอบความเพียรอยู่แม้ที่ฝ่าเท้าที่ข้อเท้าจะมีเวทนาปรากฏขึ้นก็ไม่เอาใจใส่พยายามทำความเพียรอย่างมุ่งมั่นแต่กระนั้นก็ไม่สามารถจะทำคุณในวิเศษให้บังเกิดขึ้นได้เพราะปรารบความเพียรแรงกล้าเกินไป พระบรมศาสดาจึงได้เสด็จไปณที่นั้นทรงประทานพระพุทธโอวาท ด, ด้วยวีโนวาทคือโอวาทเปรียบด้วยผินสามสายทรงแสดงวิธีปรับวิริยะให้สม่ำเสมอทรงสอบชำระพระกรรมฐานแล้วจึงเสด็จกลับยังภูเขาคิตกูดฝ่ายพระเทระปรับวิริยะให้สม่ำเสมอโดยในญาี่ทรงประทานแล้ว จเจรินวิปัสสนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปดำรงตนไว้ในพระอรหัสต์แล้วฉะนี้แหละการอธิบายความสม่ำเสมอกันแม้ในอินทรีย์ที่เหลือคือสติสมาธิและปัญญาก็พึงทราบเหมือนกันนี้กล่าวคือเมื่ออินทรีย์แต่ละประการมีกำลังมากก็จงทราบเถิดว่าอินทรีย์นอกนี้ไม่สม่ำเสมอกัน ในหน้าที่ของตนของตนศรัทธากับปัญญาเสมอกันก็แลในอินรี่ห้านี้ถ้ากล่าวโดยที่แปลกันแล้วปราั้งหลายยอมรับรองต้องกันว่าศรัทธาเสมอกันกับปัญญาและสมาธิเสมอ ก, กันกับวิริยะอธิบายว่า บุคคลผู้มีศรัทธามากแต่มีปัญญาน้อยย่อมเป็นคนมีความเลื่อมใสอย่างเซ่อเซ่อคือไม่เลื่อมใสอย่างแน่วแน่ย่อมเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องบุคคลผู้มีปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยย่อมแหกแนวไปสู่ทางฝ่ายเกเรโออวดเป็นผู้มีอันใครๆจะแก้ไขไม่ได้เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นจากยาเองยากที่จะรักษาให้หายได้ แต่เพราะศรัทธากับปัญญาสม่ำเสมอกันบุคคลย่อมเลื่อมใสถูกเรื่องเสมอสมาธิกับวิริยะเสมอกันส่วนบุคคลผู้มีสมาธิแต่มีวิริยะน้อยความเกียดคร้านย่อมครอบงำเพราะสมาธิเป็นฝักฝ่ายของความเกียดคร้านบุคคล ผู้มีวิริยะมากแต่มีสมาธิน้อยอุทจักความฟุ้งซ่านย่อมครอบงำเพราะวิริยะเป็นฝักฝ่ายของอุทจักแต่สมาธิที่ประกอบเข้ากับวิริยะแล้วย่อมไม่ได้เพื่อตกไปในความเกียดคร้านวิริยะที่ประกอบเข้ากับสมาธิแล้วก็ไม่ได้เพื่อตกไปในอุทจะเพราะฉะนั้น จึงจำต้องทำวิริยะกับสมาธิทั้งสองนั้นให้สม่ำเสมอเพราะจะสำเร็จอปปนาสมาธิได้ด้วยวิริยะกับสมาธิทั้งสองสม่ำเสมอกันการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอีกนัยยะหนึ่งอีกประการหนึ่งสำหรับโยคีบุคคลผู้เจริญสมถกรรมฐานนั้น แม้จะมีศรัทธาชนิดที่มีกำลังมากก็สมควรเพราะเมื่อศรัทธามีกำลังมากอย่างนี้โยคีบุคคลเชื่อมั่นอยู่มุ่งหมายอยู่ก็จะได้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิและในสมาธิกับปัญญานั้นสมาธิมีกำลังมากย่อมสมควรสำหรับผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานเพราะโยคีผู้เจริญสมถกรรมฐานนั้น จะบรรลุอัปนาสมาธิได้ก็ด้วยสมาธิที่มีกําลังมากอย่างนี้ปัญญาที่มีกําลังมากย่อมสมควรสําหรับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนานั้นย่อมจะบรรลุถึงซึ่งการแทงตลอดลักษณะของสังขารธรรมก็ด้วยปัญญาที่มีกําลังมากนี้แต่เพราะเหตุที่สมาธิกับปัญญาทั้งสองสมดุลกัน จึงจะสำเร็จอัปปนาสมาธินั่นเทียวสติจำปรารถนาในอินทรีทั้งห้าส่วนสตินั้นมีกำลังมากในอินทรีห้าทุกประการยิ่งดีเพราะสติย่อมรักษากุศ ล, ลจิตให้พ้นจากการตกไปในอุทธจัก ด้วยอํานาจแห่งศรัทธาวิริยะและปัญญาอันเป็นฝักฝ่ายแห่งอุทธจักรแล้วรักษากุศลจิตให้พ้นจากการตกไปในความเกยียจคร้านด้วยสมาธิอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความเกยียจคร้านเพราะเหตุนั้นสติจึงจําปรารถนาในอินทรีย์ห้าทุกประการเหมือนเกลือปน่นจําปรารถนาในกับข้าวทุกชนิด และเหมือนอัมมาตผู้ชำนาญในกิจทั้งปวงจำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างฉะนั้นด้วยเหตุนั้นท่านอัทธกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าก็แลสตินั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจำปรารถนาในกิจทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะจิตมีสติเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกและสติมีการอารักขาเป็นอาการปรากฏ การยกจิตและการข่มจิตเว้นจากสติแล้วหาเป็นไปได้ไหมชันนี้